หัวข้อที่2การรักษาศีลศีล น, นั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีล น, นั้นมีหลายระดับคือศีล5ศีล8ศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีล227รย และในบรรดาศีลชนิดเดียวก็ยังจัดแยกออกเป็นระดับธรรมดามัชิมะศีลหรือศีลระดับกลางและอาธิศีลคือศีลอย่างสูงศีลอย่างอุกฤษคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องทรงไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศีลห้าบุคคลที่ไม่มีศีลห้า ไม่เรียกว่ามนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าคนซึ่งแปลว่ายุ่งในสมัยพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีลห้าประจำใจกันเป็นนิดศีลห้าจึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษยธรรมส่วนหนึ่งในมนุษยธรรม1ิบประการผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรม1ิป enfin ระการเป็นปกติซึ่งรวมถึงศีลห้าด้วยรายละเอียดจะมีประการใดจะไม่กล่าวถึงในที่นี้การรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบมิให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทาน ทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้คือ 1. การให้ธรรมทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีนห้าแม้จะได้ถือแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีนห้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีนแปด แม้จะถือแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลสิบคือการบวชเป็นสมมามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชได้แต่เพียงวันเดียวก็ตาม 4. การที่ได้บวชเป็นสมมามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงร้อยปี ก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพุทธศาสนามีศีลปฏิโมกสังวร227แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากที่สุดเพราะเป็นเนคขมมะบารมีในบารมีสิซึ่งเป็นการออกจากกาม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงก็คือการภาวนาเพื่อมรักผลนิพพานต่อต่อไปผลของการรักษาศีนนั้นมีมากซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่คนผู้นั้นทั้งชาตินี้และชาติหน้าเมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้บังเกิดในเทวโลกหชั้นซึ่งแล้วแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษา และบำเพ็ญมาครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กเกน้อยๆ้อยหากไม่มีอากุศลกรรมอื่นมาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการคืออายุวันนะความสุขและพลัง อา น, นิสงของการรักษาศีลห้าคือ 1. ผู้ที่รักษาศีลข้อหนึ่งด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้มีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่ขี้โรคอายุยืนยาวไม่มีศัตรูหรืออุบัติเหตุต่างๆมาเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บ หรือสิ้นอายุเสียก่นไวัยอันสมควร 2. ผู้ที่รักษาศีลข้อสองด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่นำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยการทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้ามักจะประสบช่องทางที่ดีทำมาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ รับสมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่นอักขีภัยวาตภัยโจรภัยและอื่นๆ 3. ผู้ที่รักษาศีลข้อสด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักได้พบรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักอกโรยและอกดอกครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นหลอกลวงฉุดคร่าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาติบุตรซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลส ผู้ที่รักษาศีลข้อสด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดที่เป็นพุทธวาจามีโวหารปฏิพานไหวพริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใด ก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตริดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดี 5. ผู้ที่รักษาศีลข้อ5ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรไรเครื่องหมักดองของมืนเมาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทําให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาทปัญญาความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจำง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกฤจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาสามปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่มอา น, นิสงของศีลห้ามีดังกล่าวข้างต้นสำหรับศีล8ศีลส0และศีล2อร ก็ย่อมมีอานิสงส์เพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นตามลำดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีล น, นั้นแม้จะมีอานิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีในชั้นกลางๆางในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาเท่านั้นส่วนทั้งจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุม หรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือจนหมดกิเลสคือความโลภโกรธและหลงอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ การภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบารมีที่สูงที่สุดประเสริฐที่สุดได้บุญมากที่สุดเป็นกรรมอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหคต ก, กรรมอันเป็นมหคต ก, กุศล